ยาซีเรียสเรื่องปีใหม่ของสหายทั้งห้าเมื่อวันปีใหม่มาถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้แก่หมา แมวกระต่ายลิงไก่เห็นเจ้านายฉลองปีใหม่กันต่างก็อยากฉลองปีใหม่กันบ้างจึงชวนกันหาอาหารที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดมาร่วมฉลองกันเจ้าหมามาพร้อมกับกระดูกชิ้นใหญ่ฝ่ายไก่ก็ขนเมล็ดข้าวเปลือกมามากมายส่วนกระต่าย หอบหัวแครอทมาเป็นแถวเจ้าแมวนั้นก็ไม่ยอมน้อยหนะ้ามาพร้อมกับปลาตัวโตวขณะที่ลิงจอมโวก็แบกกล้วยผล ง, งามๆมาหลายหวีเจ้าหมาหัวหน้าใหญ่เอ่ยขึ้นก่อนว่าของดีที่สุดที่ข้านำมาคือกระดูกชิ้นใหญ่รสเลิศหวังว่าเพื่อนๆคงชอบไก่ แมวกระต่ายลิงต่างสายหน้าบอกว่านั่นไม่ใช่ของที่พวกเราชอบแล้วไก่ก็พูดขึ้นว่าข้าคิดว่าข้าวเปลือกตั้งหากที่เพื่อนถูกใจแต่แมวกระต่ายลิงและหมาก็สายหน้าบอกว่าข้าวเปลือกไม่ใช่ของที่พวกตนถูกใจดังนั้น กระต่ายจึงพูดว่าต้องหัวแครอทนี่สิหวานอร่อยกว่าอะไรทั้งหมดกินแล้วจะติดใจแต่เจ้าแมวลิงหมาและไก่ไม่มีใครนึกอยากกินหัวแครอทแมวได้ทีเลยบอกว่าปลาตัวตอนี่ไงสดใหม่อร่อยถูกใจแน่นอนแต่ลิงหมาไก่และกระต่าย ไม่สนใจปลาตัวโตของแมวไฟลิงจอมโมก็คุยโมว่าเพื่อนเอ้ยกล้วยผลน ง, งามๆแบบนี้อร่อยสุดยอดนะจะบอกให้แต่หมาไก่กระต่ายแมวไม่คิดว่ากล้วยจะอร่อยอย่างที่ลิงบอกจึงไม่มีใครอยากกินในที่สุดเมื่อไม่มีใครชอบกินของใคร สหายทั้งห้าต่างก็ตกลงกันว่าจะร่วมวงกินเลี้ยงกันต่อไปโดยต่างคนต่างกินของที่ดีที่สุดของตัวเองแล้ววันปีใหม่ของสหายทั้งห้าก็จบลงด้วยความเบิกบานเรื่องนี้บอกให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนหนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอีกคนหนึ่ง แต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข